ธัมมังปฏิมาภุทโธวาทปาธังภนามะเสอะถาทานิเกกะเหอาหังสยามิโยโสกะภิสุสังหายวะเตเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธัมมาสังสารา ภาวํปายแก่สัมมาดาอาคมาเตนะสัมภาเรตาภาวํสัมหายโจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะอายังปสาคตัสสาวจีมาวาจาเอเวนปราวาจาเมนายาสุตายของพระตถาคตเจ้า